i n o h n h e ลองย้อนอดีตไปดูที่เนี่ยที่ผ่าตัดตลอดเนี่ยนะเดี๋ยวก็วางยานอนแน่นิ่งหมามองไปในไหนก็เป็นอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งนั้นเลยเนี่ยนะเดี๋ยวก็ผ่ากันแควกันแควเลยเนีตรงนั้นอนะถึงแม้ในในอดีตมันคิดไม่ออกอนะปัจจุบันย้อนก็เอามาคิดงได้เลยเอามาวิจัยได้ด้วยเป็นอุปการะก็อีกบอกไม่แล้วต่อไปนะี้ เราไปเห็นคนถูกประหารมาเยอะแล้วเวทนาที่เป็นกุศนะลไงนะเวทนาที่เป็นกุศลและกุศลทั้งสองชนิดอยากกว่าอพยากตะเวทนาทั้งสองชนิดตามสมควรนะตามสมควรแก่กุศลและอกุศลนั่นนะั้คือสภาพของกุศลก็ดีเวทนาอากุศลเวทนามีลักษณะาการขวนขวายมีลักษณะาการมีความเพียรแล้วมีวิบากนะ กุศลเวทนามีการขวนขวายไห ม, มอกุศลเวทนาก็นขวนขวายมีความเพียรอยู่ด้วยไห ม, มเห็นไหมถามว่ามีวิบากไหมกุศลก็มีไหมกุศลก็มีบากวิบากก็เป็นสุขไปอกุศลก็วิบากเป็นทุกข์ไปแต่สริปแล้วก็คือมีวิบากอ่ะอภิากะตะเวทนาทั้งสองชนิดนะ่ะไม่มีนะเขาเขาจึงเขาจึงละเอียดกว่า เวทนาที่เป็นอกุศลทั้งสองหยาบ ก, กว่าอภิญากตะเวทนาทั้งสองชนิดทั้งกิริยานะทั้งวิบากและกิริยาตามสมควรเพราะมีการค้นขวายดังกล่าวแล้วนะเวทนายาบละเอียดโดยชาติตามที่ได้กล่าวมาอย่างนี้อันนี้ว่าโดยชาติว่าโดยกุศลชาติอกุศลชาติกิริยาชาติแล้วก็วิปากาชาตินี่แหละก็เลยเอาอัพยากตะรวมกันไปเลยนะนี่ยะว่าโดยชาติของเวทนาเหล่านั้น ว่าเวทนานั้นหยาบโดยชาติละเอียดโดยชาติด้วยการอย่างนี้แล้วก็พิจารณาโดยโดยชาติโดยการว่าละเอียดและหยาบสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณปัจจัยแก่สติสัพพัญญาในการเจริญสติปัฏฐานท่านที่ต้องการจะเจริญสติปัฏฐานต้องวิจัยอย่างนี้ถึงจะถ่ายถอนนะถึงจะถ่ายถอนอ่าทำไมวิจัยอย่างนี้จะถ่ายถอนได้ไหมโยมทุววันไม่ได้อีกก็ไปเข้าใจเวทนาผิดใช่ไหม เพื่อยินดีก็ให้เนเวทนาเนี่ยเวทนาบางอย่างน่าพื้นเพลิอนอยู่างเอาตอนนีโ้โดยประเภทแห่งสภาพนะทุกขเวทนาเนี่ยหยาบกว่าเวทนาทั้งสองชนิดคือสุขและเวขานัทุกขเวทนาทมนะเสวเวทนาเนี่ยยาบกว่าสุขเวทนายาบกว่าเวขาเวทนาเราก็เห็นโอ้โหทุกขเวทนาหยาบแน่นอนอยู่ไหมทุกขเวทนา พ่อไม่น่าปรารถนาทรรมนัสเวทนาทุกขเวทนานะ่ยมีการสะสายไหมสะสายทําให้สะดุ้งไหมสะดุ้งกลัวด้วยครอบงําด้วยลักษณะการครอบงําบางคนเนี่ยนะเจอทุกเจอทุกขเวทนาเข้าไปในี่ยวุ้ยทรมานมาั้งใช่ไหมกลัวคนเนะี่ยคนเนี่ยกลัวทุกขเวทนากันมากใช่ไหมกลัวมาก เราเนี่ยนะคนบางคนเนี่ยถูกทุบถูกตีถูกทําลายเยอะมากในโลกใบนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะคนที่ถูกถูกทรมานด้วยเวทนาด้วยด้วยกรรมกรนะสมัยในในประศกก็เลยกรรมกรสามสองกันถูกแทงถูกเจาะอะไรเยอะแยะไปเะสมัยวลานี่โอ้โหทรมานเยอะเลยใช่ไหมบางทีให้ไปนอนกลิ้งนะเอเบ็ด มเอาเบ็ดเกี่ยวแล้วก็กระตกเนื้อหลุดเป็นชินช้นๆกระตกเนื้อหลุดเป็นชินช้นๆทำกันอย่างเงี้ยบางทีก็เนี่ยตอกจากหูในี่ทะลุหูขวาหูซ้ายเนี่ยเห็นไหมพอเบ็ดเสร็จแล้วก็ปักเข้าไว้แล้วก็จับขาหมุนหมุนทำอย่างเงี้ยโดนโดนทรมานเยอะลองคิดดูดิ ว, ว่าในในในชั้นของสงครามทั้งหลาย คนที่ต่อสู้กันแล้วไปจับข่าศึกศัตรูได้คิดว่าเขาจะปลาณีไหมนะแผลไหนโดนยิงทะลุเขาก็ไม้เสียบหรือเข้าในแผลนั่นเสียบเข้าไปแล้วก็บิดไปถามความลับลวงความสารพัด ร, รมต้องไม่สนใจสนุกสนานเะนี่ยเป็นดูเป็นของสนุกกันเลยจับเขี้ยนจับตีจับตบจัตบตีจับเตะอะไรกันสารพัดกัน นั่นแหละเรายังไม่พ้นหนึ่งไอเวทนาหยาบหยาบอย่างเงี้ยไอทุกขเวทนาเต่ามนันสเวทนาเหล่าเนี้ยตัวอย่างที่เราเห็นเรารู้เราทราบทั้งหลายนะั้นนะ่ะตราบใดทวเวเราดับเวทนาไม่ได้ในสังสารวัตนี่เนี่ยนะเราไม่สามารถดับกิเลสที่เป็นเหตุถึงการนังนเราก็ด้วยโดนอยู่ก็เป็นเป็นไปลักษณะนี้นี่เวทนาหยาบโดยทุกขเวทนาหยาบกว่าเวทน า, าสองชนิดนะั้น พ่อไม่น่าปรารถนามีการซัดสายดังกล่าวแล้วนี่ยแล้วเวทนานั้นก็ละเอียดกว่าทุกขเวทนาพ่อหน้าปรารถนาสงบและประณีตเป็นที่ชอบใจเป็นกลางสุขเวทนาแล้วก็กว่าสุขเวทนาและกัทุกขเวทนาสองชนิดใน้ยากโกเวขาเวขาเวทนาคือสุขเวทนาก็ยังซัดสายทุกขเวทนาไม่ต้องพูดถึงมีการซัดสายทําให้หวันไหวแล้วก็ปรากฏชัดกว่าเวคาเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นนมัคือต่างกันนะ นั่นคือการต่างกันโดยหยาบโดยละเอียดโดยสภาพประการต่อมาก็คือโดยประเภทแห่ง บ, บุคคลนะบุคคลที่เขาที่ไม่เข้าสมาบัตหยาบไม่เวทนาของบุคคลที่ไม่ได้สมาบัตทั้งหลายนี่หยาบนะบุคคลที่ได้สมาบัตเขาก็ละเอียดที่บุคคลที่เจริญพุฒิคุณแล้วเขาอยู่กับคุณของพระเจ้ากับบุคคลที่ไม่ได้เจริญวุทธคุณเลยเนะี่ยโอหยาบมากคนเจริญกุศลไม่ได้เวทนาก็หยาบคนเดินกุศลได้เวทนาละเอียดก็ดูรายละเอียดถึงเนี้ยนะ ข้าเจ้าจไม่หมอหนงเนี้ยอันนี้ก็ไปว่าโดยบุคคลไปตามลําดับนั้นหยาบละเอียดโดยประเภทแห่งบุคคลเอาบุคคลเป็นตัวตั้งไปว่าโดยโลกุตระเวทนาโลกิยาเวทนาก็คือเวทนาที่เป็นไปกับโลกิายาหยาบเวทนาก็คือเวทนาใดพระกอบให้เกิดอาสวัธรรมะ ก่อ้เกิดอารมณ์ของโอคาเป็นอารมณ์ของโอคาเป็นอารมณ์ของโยคาคันทะนิวรณิปาทานก็สังกิเลตต่างๆแล้วเกี่ยวข้องกับผุ้ดชนเนี่ยเวทนาที่ประกอบไปด้วยอาสวะธรรมเนี่ยเป็นเวทนาหยาบย่ำเป็นอย่างนั้นจริ ง, รงๆนะเวทนาเนี่ยยังเป็นอารมณ์ของอาสวะโอคาโยคาคันทะอุปาทานนิวรแล้วก็เป็นสังอารมณ์ของสังโยชน์ใช่ไหมยังเนีายัางถูกต้องได้ ตัวโลกุตระเวทนาในละเอียดอันนั้นก็ประเภทของประการต่อมาก็คือขจัดความประค น, นกันโดยประเภทแห่งชาตินะเวทนาที่ประกอบด้วยกายวิญญาณที่เป็นอกุศลวิบากถึงแม้จะเป็นเวทนาละเอียดเพราะเป็นอพยากระตาโดยประเภทแห่งชาติแต่กลับเป็นเวทนาหยาบนะโดยประเภทแห่งสภาพเป็นต้นเหมือนกันเพระบรมศาสสดาตรัสบอกว่าอพยากระตาเวทนา เป็นเวทนาละเอียดทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบยังไงฉะนั้นทพูนมองอย่างนี้ก็ว่าวิบากก็จริงถึงแม้ว่าดูจะเหมือนละเอียดนะแต่พอทุกขเวทนาเลยกลายเป็นเวทนาหยาบไปเนี er ้ยนะทางไกลนะเวทนาที่ของผู้ท um ี่ไม่เข้าสมาบัตเป็นเวทนาหยาบเวทนาที่ประกอบไปด้วยเข้าสมาบัติก็เป็นเวทนาละเอียดเวทนาที่ประกอบไปด้วยอาสวัธรรมก็เป็นเวทนาหยาบเวทนาที่เหลือ มีสุขเวทนาเป็นต้นเป็นเวทนาหยาบโดยประเภทแห่งชาติแต่เป็นเวทนาละเอียดโดยประเภทแห่งสภาพเป็นต้นเหมือนทุกเวทนาเนีเหมือนกันถามว่าหยาบละเอียดเป็นชะไหนอัพยากตะเวทนาละเอียดกับเวทนาที่เป็นกุศลและกุศลโดยประเภทแห่งชาติไม่พึงจําแนกประเภทแห่งสภาพเป็นต้นในภิยากตะเวทนานั้นว่าอัพยากตะเวทนาเป็นชไหนเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ผู้เข้าสมาบัตดและไม่เข้าสมาจะบัตดจะมีอภิญาคตะเวนาต่างกันอย่างไรเนียอภิาคตะเวทนามีอาสวะไม่มีอาสวะต่างกันอย่างไรเป็นต้นเหรเนี่ยนะพระบรมศาสดาก็ตรัสทั้งหมดว่าเกีย่ยวในเรื่องของเวทนาทีนี้เวทนาในกรณีที่บอกว่าเวทนาที่ประกอบด้วยโลภะก็เผาผลาญที่อาศัยเออเป็นเวทนาอยาบเวทนาที่ประกอบด้วยกัโทษะนี่อยาบกว่าเวทนาที่ประกอบกัโทษะเออโลภะเข้าไป ที่กล่าวไปเมื่อวานเนียเวทนาที่ประกอบกับโทสะบูรจิตเนี่ยเป็นเวทนาหยาบกว่าเวทนาที่ประกอบกับโลภะเพราะเวทนาที่ประกอบกับโลภะเนี่ยไม่เผาที่ตั้งของตนแต่โทสะนีเผาที่ตั้งใช่ไมที่จริงไม่ใช่หายใจวัอย่างเดียวเนการะจะกายทั้งหมดใช่ ใช่ผมหงอกเร็วไหมคนกดง่ายหน้าเน่เดินเผาหมดแหละฟ้าเฟอ้อขึ้นแถวเป็นแนวเป็นแนวหมดมเผาเรียบใช่ไหมแม่พระอราหาันเนี่ยท่านน่าจะผ่องนะดูหนึ่งใช่องมาก ว่าท่านเดินพุทชงได้ใช่ไท่านเข้าสติสัมพวทธชงทำ ม, มาวิจัยสัมพวทชงโอ้ใจอะไรย่นี้ใช่ไหม <S <S พวกเรานี่ดูง่อยๆเ ง, งาๆเนาะ <S 1> <S 1> นานๆจะได้โลภะสมมาได้กับเขาสักทีก็ดูน่าจะชื่นใจนะยใช่ไหม <S <S ถ้ากุศลเดินตลอดนี่จะกลายเป็นคนผ่องใสนะแท้ที่จริงเนี่ยถ้าเราเดินกุศลได้อย่างยาวๆในป่านนี้เราจะเป็นคนที่ผ่องใสมาก นะเป็นคนปองสายมัยังไม่สายเกินไปพอจะกลับไปเดินไหวไหมเนี่ยใช่กลับไปเดินมาถ้าใครจะพูดทำให้บาปเกิดขึ้นมาบอกอย่าอย่ายุ่งอ ย, ung, อย่ายุ่งอย่ายุ่งอนี้ใช่เราต้องการที่จะทำให้กุศลเกิดให้ต่อเนื่องใช่ไหแล้วก็จะมีลักษณะเยือกเย็นเนยไม่เร่าร้อน ลองที่ศึกษาไปศึกษามาดูเหมือนฉลาดมันดูเหมือนเข้าใจเร็วแต่กลายเป็นโทสะเข้าใจต้องระวังนะกลายเป็นโทสะเข้าใจ <S <S เนี่เนี่ยันแหละมันแสดงว่าความฉลาดมันเพิ่มขึ้นใช่ที่ความรู้สึกอย่างนั้นคือความฉลาดเพิ่มเน้ย ถ้ายังไปมีความรู้สึกว่ารู้แล้วรู้แล้วซะแล้วเนี่ยเนี่ยมันนมันโง่ขึ้นมันโง่มากขึ้นเ น, นี่ยเวทนาที่เป็นโทสะเนี่ยนะโทสะก็หยาบกว่าโลภะเพราะว่าเผาที่ตั้งเผาที่อาศัยเวทนาที่ประกอบกับโลภะเป็นเวทนาละเอียดนะนี่อ้างจากการตรงข้ามกับโทสะ แม้เวทนาที่ประกอบกับโทสะที่เกิดเสมอเสมอก็เป็นเวทนาที่หยาบถ้าไม่เกิดเสมอก็เป็นเวทนาที่ละเอียดนี่แยกเฉพาะเวทนาในโทสะนี่นะถามบอกว่าบางท่านเนี่ยคำว่าจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะคขาว่ามีอยู่ในที่นั้นนะอัตถีมีอยู่นันนะ่ะพระธะก a t จาร์พระดีกาจาร์นั่นจำไดว่ามีอยู่ในฐานะเกิดบ่อยมาก มีอยู่อะได้การเกิดบ่อยกรณีชีวิตปรั ส, สนาปัญญาทั้งหลายสติปัฏฐานก็ไปไข้ครวรไปรู้เนะี่ยแปลว่าไปรู้ในขณะที่โทสะไม่มีอยู่แล้วฮไม่ใช่แม้กําหนดทันเลยกําหนดทันเลยไม่ทันหรอก <c oughs> ไม่มีใครกําหนดโทสะทันหรอกกาหนดในฐานหน้าที่มันเกิดบ่อยนะมันมีอยู่มีอยู่ในฐานหน้าที่ว่ามันเกิดในมันแล่นเข้ามาสู่ในอัตยาสายของท่านคนนั้นบ่อยมากได้การมีจ้ะ <c oughs> <c oughs> ก็อนุปัสนานะัถือว่าหยาบทีนี้อย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเหตุปัจจัยที่ทำให้โทสะเกิดบ่อยเยอะได้อารมณ์ที่ไม่น่าปลาตะนาบางครั้งไม่มีใครมาจัดการทำให้เราเกิดโทสะหรอกอยู่คนเดียวนี่แหละก็หงุดหงิดอยู่นั่นแหละใช่ไหมโทมณัสเวทนาก็เกิดง่ายใช่ไหม ที่กำลังนั่งจะดูพระไตรปยฎกอยู่ดีๆแมลงวันกาะจมูกปุบ๊บแค่ น, นั้นกโกรธซะอีกแล้วไม่แค่นี้แหละเหตุปัจจัยแค่นี้ก็เป็นเหตุปัจจัยพอเกิสมคันเกิดการโกรธแล้วออกงยองตัวเดียวแค่นั้น่ะวิ่งลั่นห้องเลยตอเนี่ยจะโกรธไม่พอใจอีกแล้วมาเวทนาเกิดโทมนัสเวทนาเกิดง่ายไหมยอย่าเวทนาอย่าถ้าไม่เกิดเสมอนะเป็นเวทนาละเอียด ถ้าถามบอกว่าทรมนัสเวทนาที่ตั้งอยู่ตลอดกลับเลยเป็นเวทนาหยาบนะถ้าเวทนาที่ไม่ดำรงอยู่ตลอดกลับก็เป็นเวรนาที่ละเอียดไปถ้ายัางเวทนากับของเรากับเวทนาพวกอบไยาสัตว์โอ้โหของอบรรยสัตว์ก็หยาบปุหยาบเลยแต่เนี้ยนะตอนนี้ท่านไม่ให้วิจัยแล้วมาสนุกสนานเพลิดเพลินนะวิจัยเพื่อเห็นโทษว่าเวทนาหยาบหยาบกรรมที่เราทําที่จะได้เวทนาหยาบนั้นเรายังล่าไม่ได้ เราเนี่ยที่นั่งกันอยู่เนี่ยเคยทำกรรมที่ไปเกิดเป็นอายศาสตร์กันหมดแล้วนะแล้วเวทนาเหล่านั้นเน่เราจะต้องได้รับต่อไปแน่นอนถ้าเรายังตัดปฏิสุทธิไม่ได้ในพบต่อไปโอกาสพลาดสูงท่านใช้คำว่าเก้าสิบเก้าจุดเก้าอ็โอกาสพลาดขนาดนั้นเนี่ย <c oughs> ใช่ั้ย <c oughs> โอกาสขนาดนั้นเลย ก็ไม้กลึงหัวกลึงท้ายเสมอกันแล้วยนขึ้นไปบนากาศกำหนดทิศทางการตกของเขาได้ไหมปฏิสนธิในพบต่อไปก็กำหนดไม่ได้ว่าจะไปในพบไหนเช่นเดียวกันไม่รู้กรรมอะไรจะมาซัดในมรณาสนนาการใช่ไหมไอ้ตรงนี้นี่ไงผู้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยเมื่อศึกษาในลักษณะอย่างนี้แล้วควรขวนขวายอย่างยิ่งยิ่ ง, งใช่ไ้ย ไม่ใช่ศึกษาไปแล้วพระอาจารย์ยอมก็ค่อยเป็นค่อยไปฟังบ่อยมากเลยยอมแก้วใช่มเร็วเร็วไวไวก็ว่าอย่าไม่รีบศึกษาพระธรรมคําสอนเวลาที่เหลือกับการศึกษาพระธรรมมันไม่สมดุลกันซะแล้วตอนนี้เมื่อศึกษาตอนอายุขนาดนี้กันเลยต้องใช้เวลาแล้วเรายังมีเวลาแค่นี้เองใชเวลานี้ ประเด็นมันอยู่ตรงว่าเมื่อคิดอย่างนี้แล้วเนี่ยมันทําให้แช่ความเพียรหรือเพิ่มความเพียรถ้าเพิ่มเนี่ยใช่ไหมโอ้ถ้าเพิ่มเลยใช้ได้ใช่ไหมถ้าบอกว่าเออเมื่อวานนี้เขาก็ตายไปแล้วเหม่อดีนะเรายังไม่ตายใช่ไหมใช่ไหมพอบอกว่าดีนะยังไม่ตายเออวันนี้ศึกษาคําสอนไหมเหม่ไม่ค่อยวางสินแล้ววันนี้เยอะๆอย่างเงี้ย แต่ก็ถึงอยู่ที่บ้านต้องไข้ครควญนะทำไข้ครควญมันิ่มากในเวทนาที่ตั้งอยู่ตลอดกับก็เป็นเวทนาที่ละเอียดนะเป็นเวทนาที่ละเอียดที่นี่ในเวทนาที่ตั้งอยู่ตลอดกับเนี่ยถ้าเวทนาที่เป็นอสังขาริกนี่ยหยาบใหญ่เลยทีนเนี้ยโอ้โหใช่ไหมพระเทวทัศน์ที่ได้กล่าวเนี่ยตอนนี้เป็นอสังขาริกนะเนี่ยมันเป็นอสังขาริกนสเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้โหหยาบมาก ไม่ต้องมีใครมาชักชวนเลยเวทนาแบบเนี้ไม่ต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นเตือนเลยเพราะว่ามันใหม่ๆนี่นะการทํากรรมทุกชนิดเนี่ยนะเป็นอสังขาริกส่วนใหญ่พอทําไปทํามาเนี่แข็งแรงเป็นอสังขาริกต้อจะเป็นอย่างนี้แข็งแรงหมดเลยเหมือนฟังธรรมเนี่ยนะใหม่ๆอาศัยเสียงพระธรรมกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้น น, นะเขาคิดเองเลยเดี๋ยวนะี้ปุ๊ปุ๊ปปุฉลาดขึ้นมาเลยเนะี่ยเขามีความเข้าใจคําสอนเลย ไม่อย่เรียนไปเรียนมาโว้ยยิ่งแย่ลงแย่ลงศีนก็เดินไม่เป็นเงี้ยนี่คุณต้องไปแก้ไขตัวคนเองแล้วคุณพลาดแล้วกุศรศียังเดินไม่ได้เนี่ยแปลว่าต้องแก้ไขแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นจริงมะนี่ไม่ใช่ว่าโว้ยเรียนเยนกันไปแล้วศีนไม่ได้ไม่ได้แล้วยังมีความทุศีลเป็นล่าเป็นสันอยู่เงี้ยเสียหายแล้วแต่นี่ก็้แก้ไขทางกายกรรมวจีกรรมเผยบาปออกมาเรื่อยเลยเงี้ยลักษณะการควบคุมไม่เกิดนี่ก็นี่ก็ผ่นานแล้วในการศึกษาพระธรรมตําขัดเกลา ไอ้ น, นี่ก็ต้องไปดูไปแก้ไขไปปรับปรุงไม่ใช่ปรับปรุงคนอื่นนปะปรับปรุงตัวเองเนี่ยใช่ไหมตั้ามันชัดเจนตรงนั้นแต่นี้เราศึกษาเงี้ชัดแล้วใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยว่ามันต้องควบคุมได้โดยสถานการณ์ก็คือขึ้นไปนั่งแท่นแล้วต้องคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่ปล่อยตูมตรงนั้นตมตรงนี้อยู่เลยอย่างนี้อันนี้ไม่ได้กลงมาใหม่มาศึกษาใหม่ทําไมไปเป็นอย่างเงี้ยไปนั่งทําไมถ้าไปนั่งแท่นนั้นต้องคุมสถานการณ์ได้สิ อ น, นี้คุมไม่ได้ปล่อยตูมออกทางกายกรรมบางตูมออกทางวิทยุจีกรรมอยู่เรื่อยเล ย, เยวางระเบิดเป็นแถวหมดคุมประเทศไม่อยู่ลองมาก่อนมาศึกษาใหม่ฟังว่าทาให้เข้าใจรีบไปนั่งแท่นเนี่ยไม่ใช่กุศลนั่งแล้วเป็นอกุศลแน่นอนใช่ไม่ใช่เข้าใจว่าเนี่ยประเทศนี้เนาะไม่ใช่ถึงประเทศที่พูดนะยอมสุวรรณไปเข้าใจว่ามามพูดถึงประเทศส่วนกลางมาพูดถึงประเทศขันนี้ใช่ไหม ต้องคุมสถานการณ์ให้ได้อย่าให้บาปมันผุดมาเรื่อยอันนี้มายแค่พอกายกรรมเคลื่อนไปก็บาปเผยออกมาเรื่อยวัจีกรรมหลุดออกมาทีไรบาปก็เผยออกมาเรื่อยคุมสถานการณ์ไม่ได้กุศลศีลก็ไม่เดินสิแต่เนี้ยแล้วไม่เดินแล้วกุศลธรรมอื่นจะเป็นยังไงแต่เนี้ยก็ไม่เกิดจริ ง, รงไหมหมอตอนนี้หมอคุมสถานการณ์ได้อยังยังอีกเลยโหแล้วเมื่อไหร่ ดูถ้าทีลองคำนวณดูที่ในฐานะเป็นหมอจะควบสถานการณ์ได้เมื่อไหร่เนี่ยเบ็ดเสร็จเนี่ยจะควบสถานการณ์เบ็ดเสร็จได้เมื่อไหร่เนี่ยควบคมกายการรมวจีกรรมไม่ให้บาปเผยออกมาทําไงต้องไปนั่งคิดใช่ไหมยอมยอมจิราพรคุมสถานการณ์ถึงตนเองใดยังที่จะไม่ให้บาปเผยออกมาทางวจีทวานฮะนี่เป็นต้นเนี่ย น, นี้ต้องต้อ ง, ต, องต้องแก้ไขใช่ไหม เราต้องดูว่าอะไรที่เป็นปัจจัยแก่การล่วงละเมิดบ่อยๆแก้ไขใช่ไหมตรงนั้นต้องแก้ไขไอ้รูรั่วช่องโหวข้อบกพร่องต้องแก้ไขบางทีเราบอกเอ๊ะพระพุทธเจ้าว่ายังไงเอี่ตรงนั้นไม่เข้าใจเออต่ทูตเสียนอยู่เรื่อยเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็ผิดเองไม่มัวกังขาอยู่นั้นแหละสูตรนั้นว่ายังไงสูตรนั้นว่ายังไงแต่ไม่น้อมเข้ามาขัดเราได้เลยนี่นก็ผิดแล้ว ก็ไปอะไรแต่เนี้ยจริงไหมต้องน้อมเข้ามาพระธรรมเนี่ยต้องน้อมก็มาใส่ตนน้อมเข้าม า, ม ข, า, มาขัดเกลาตนเองอ่ะทําศิกขาสามให้เดินให้ได้คุมสถานการณ์ในในขันในโลกนี้ให้ได้อะเห็นไหมอุปาทานขันห้าต้องคุมสถานการณ์ก่อนอย่าให้บาปมันพุพองขึ้นมาอย่างนี้ก็เริ่มชัดขึ้นแล้วมองเห็นใช่ไหมอย่าไงเงี้ยบางท่านเนี่ยล่วงละเมิดเลยเลยก้าว ล, ล่วงนะต้องไม่ก้าวล่วงถีนาะมิทะที่ ด้วยอโรมกสัญญาที่ศึกษาฟังพระธรรมนี่ให้ทีนะมิท่ครอบงามเนี่ยอ้ากล่าวล่วงนะลักษณะของกุศลศีลต้องไม่กล่าวล่วงอันนี้มันกล่าวล่วงเรื่อยอะไรนี่ก็ผิดอีกแล้วนี่เนี่ยอันนี้เราศึกษาเวทนาแล้วนี่เราจะเดินสติปฐานกันแล้วนะใช่ไหมอันนี้แปลว่ากุศลธรรมระดับระดับที่สา ม, มารถที่สติปติปฐานจะลงจอดได้แล้วเราจัดลานบินแบบนี้สติปฐานจะลงจอดได้ไงถ้าสติปทานเป็นเครื่องบินจอดไม่ได้ก็วนหนีไปก่อนไม่เอา สติปัฏฐา น, น, นทำท่าจะลงจอดอกอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาคุณปรับพื้นที่ไม่ดีอะลงจอดไม่ได้อันตรายว่าอันตรายสติปัฏฐานมาก็จมหมดเลยงี้ไม่ได้งั้นก็ปรับใหม่ควบคุมสถานการณ์ให้ดีหน่อยให้ดูว่าปลอดภัยแล้วสติสัมัชัญญะเขาจะได้มาเดินในชั้นของสมถาวิปัสนาเขาใจอย่างนเนี๋ยวนี้เขาเป็นอย่างนี้พูดดูเหมือนดูเหมือนจะภาพจะเห็นใช่ไหมแต่ไปทำไม่ได้อีกยุ่งเลยดนเดี๋ยวนี้ ทานเวทนาที่เป็นอสังขาริกเนี่ยนะถ้าเป็นอยู่ตั้งอยู่ตลอดกาบก็มาจัดเป็นอสังขาริสกับสังาสังขาริกฉะนั้นสัตว์นรกทั้งหลายนี่นะที่ตั้งอยู่ตลอดกับทั้งหลายนะที่ทุกขเวทนามากๆมี2กลุ่มกลุ่มอสังขาริกกับกลุ่มศาสังขาริกกับเวทนาของท่านเหล่านั้นมีจัดว่ายาวและจัดว่าละเอียดแล้วกรรมที่เราทำเอาแต่นี้มาตรวจสอบดูทีเจตนากรรมที่เป็นไปกับอกุศลทั้งหลายที่เราทํากับโทสะเนี่ยเราโทสะดวงไหนเกิดบ่อย ถ้าโทสะที่เป็นอสังขารเล็กเกิดบ่อยวิบากก็จะเป็นอสังขารเล็กเนี่ยถ้าโทสะที่เป็นสัตสังขารเลกบ่อยวิบากบา ก, ก็เป็นสังขารเลกเนะี่ยฉะนั้นเอาไบโยภูมิที่ไปก็จะประเภทอย่างนั้นแหละก็ได้วิบากที่เป็นอสังขาริกกับสัสังขาริกเป็นต้นเหล่านี้อัธยาศาัยที่จะได้เวทนาหยาบก็จะชัดขึ้นเอาือน่ากลัวนะแปลว่าอะไรอ่ะถ้าได้เวทนาหยาบในไบโยภูมิก็เป็นสัตว์นรกใช่ไหมเมื่อเป็นสัตว์นรกอ่ะเป็นอสังขารเลกกับโทสะดวงแรกก็จะเกิดเยอะแล้วดูกรรทที่ํา ดูดูกรรมเนี่ยไปทํากรรมทําไมไปไปฆ่าตัวเองทําไมเนี่ยในไบยภูมิอะ่ะใช่ไหมไปเกิดเป็นสัตว์นรกมันก็ไปทำกรรมชั่วตลอดเลยกุศลก็ไม่เดินเดนเนี่ยแล้วก็เป็นอาสังขาริกนะ่ไหมโทมานาสสาคาตังนะปฏิฆาสัมยุตังอาสังขาริกกังอาสังขาริกเมียกังใช่ไหมมันก็เกิดตลอดเลยเนี่ยลงพวังขึ้นวิถีลงพวังขึ้นวิถีอ่ะ อัธยาศัยที่เป็นอาสังกาเล็กเป็นอายโยนิโสมนัิการก็ชัดขึ้นโอ้โห oh, oh, แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับเนะ่ยอีกกี่สักอีกกี่วัดกับอนะไเนี mm ่ย hmm. ใช่ไหมนี่มันก็เป็นอย่างนี้ไอ้ ก, กลุ่มที่รอดพุทธยานก็เยอะนะกลุ่มเนี้ยรอดแล้วองค์แล้วองค์เล่าองค์แล้วองค์เล่าเข้ามาตัดสู้กันไปเรื่อๆไปเราก็ไปติดอยู่ไอ้เวทนาหยาบตัวเนี้ยเวทนาหยาบเราเนี้ยโทษอย่างเงี้ยต้องเห็นโทษเยอะเยอะ ว่ากรรมเหล่านี้เราทําไว้มีแล้วนะเจตนากรรมในดีดนะี่ยถ้ามันจะมาให้ผลในประวัติในในมรณาสนถาน ก, ก็ยุ่งยุ่งเลยตอนตนี้ตรงเนี้ยต้องรีบเล่งเดินสติปัญฐานให้แข็งแรงจะได้ป้องกันตนเองได้ถึงแม้ว่าดับภพบชาติในปัจจุบันเราพบนี้ไม่ได้ก็ยังแก้ไขสถานการณ์ในมรณาสถานการได้ใช่ไหมตอนเนี้แค่แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่จะเกิด อีกไม่ช้าในกระแสขันธาตุอายตนาของเราท่านทั้งหลายก็แทบจะไม่พออยู่แล้วนะที่เราเราเราเราเร่งรีบเป็นขนาดเนี้นะเราคล้ายควรอย่างเงี้ยจริงไม่จริงแทบจะไม่ทันสถานการณ์อยู่แล้วตรงนี้ก็ต้องมาเร่งรีบขนขวายเพียรพยายามในการที่จะขัดเกลาและตรงเนี้ย ถ, ถ้าถ้าถ้าเราไม่ใคร่ครวรอย่างนี้เราก็ศึกษาเวทนาไปก็ไม่สะดุดงเสะเดุดเลยเราจะได้เห็นโอ้นี่เวทนาเป็นอย่างนี้อสังคาริกแล้วก็สังเกตดูกรรมที่เราทําดีประเภท ถ้าจะโกรธเนี่ยบางทีไม่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นใดๆเลยนะเนี่ยใช่ไหมเราชํานาญมากเราชํานาญนี่เป็นอสังคาริกแล้วนะเราเนี่ยว่างั้น้งได้เวทนาหยาบตลอดนะกรรมที่ทําด้วยเวทนาหยาบๆนี้ไปได้รับก็ไปจุดชนวนเวทนาหยาบๆในสังสารวัฏเอาซินี่ทําไมไปสร้างเหตุปัจจัยพลาดขนาดนั้นทําไมสร้างเหตุปัจจัยพลาดขนาดนั้นหรือกรณีอย่างเงี้ยเวทนาที่ ป, ประกอบด้วยโลภะถ้าประกอบด้วยทิฏฐิ ก็เป็นเวทนายียาใช่ไหมถ้าไม่ประกอบด้วยทิฏฐิก็เป็นเวทนาที่ละเอียดอันนี้หมายถึงโลภะในกลุ่มของโลภะนี่นะก็มาพิจารณามาค่ายควรเกี่ยวเรื่องของเวทนาเวทนาหยาเวทนาละเอียดด้วยประเภทของโลภะเอามาค่ายควรดูที่ประเภทนี้กรรมประเภทนี้ที่เราทำไปเกี่ยวกับเวทนาเหล่านี้โอ้วันหนึ่งเยอะเลยอย่างไหมต้องอาศัยปัจจัยกระตุ้นเตือนไหมโลภะเราเนี่ยหรือคิดเองก็เกิดได้เลยโอ้ํานานเลยใช่ไหม เนี่ยเวทนาก็จะเป็นเราก็จะได้เวทนาหยาบแบบเนี้ยกรรมที่เราทําจากโลภะนี่แหละใช่ไหมอันนี้ก็น่ากลัวเลยทตเนี้ยก็นี่ก็กลุ่มนี้กลุ่มอบายสัตว์นะเนี่ยเนี่ยกลุ่มอบายสัตว์ทั้งหละที่ทํากรรมเหล่าเนี้ที่ยังไหลวนอยู่ในกระแส ข, ขันของสัตว์ทั้งหลายเหล่าเนี้นี่คือกรรมที่นําไปสู่บไยภูมิหมดเลยนะให้ผลทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการด้วยเอาทีเราจะได้รับเวทนาเหล่านั้นทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการถ้าได้ในปฏิสนธิการยุ่งเลย ไปได้พวังในเออไปได้เวทานาในปฏิสนธิในพวังก็เปลี่ยนได้ที่ไหนนะถ้าไปเป็นสัตว์อายุร้อยปีก็ต้องได้พวังประเภทนั้นร้อยปีอะรักษาพบรักษาอัตภาพขึ้นไปร้อยปีอย่างเงี้ยสองรอยปีสามรอปีเป็นพันปีเป็นหมื่นปีขึ้นมาก็คิดดูใช่ไหมเปรตบางบางประเภ ท, เ, ทเนี่ยเล่นหลายพุทธันดรเลยนะเปรต เ, เนี่ยใช่ไหมขนาดเปรตมีอัจฉริยะใส่นิดๆยังผ่านพุทธเจ้าตั้งหลายองค์เนี่ย น, นี่ไงทิฏฐิสาม คนฆ่าโคยิงเนะ่อันนั้นก็ก็วัดถึงกรณีแห่งแห่งแห่งว่าความเพียรในการฆ่าสัตว์เหล่านั้นเอามาเป็นข้อเปรียบเทียบเอาเป็นข้อเปรียบเทียบก็หมายความว่าอายุเขาน้อยไหมอายุเขาสั้นนั่นเองกรณีแห่งอายุเขาสั้นนั้นน่ะโอกาสตายเขาก็เร็วมากใช่ไหมแต่ประเด็นมันว่าจะออกได้ยังไงมันจะออกได้ยังไงถามว่าถ้าอัตยาสายไม่ดีพอจะออกได้ยังไง หมายความบอกว่าบุญเก่าใช่บุญเก่าต้องตามให้ผลทันในวรณาสถานการของเขาแต่ถ้าช่วงชีวิตของกอายสัตว์มันยาวเนี่ยนจะทำยังไงกว่าจะส่งผลได้ใช่ถ้าสรุปแล้วก็คือมันก็ยังมีอัตราที่ลุ้นได้เรี้เยอะที่กุศลจะตามให้ผลตัวเองทันไหมเมื่อตัวเองจเจริญกุศลเยอะๆเียเพราะอายุสั้นเนี่ยจ็ดวันบ้างห้าวันบ้างหกวันบ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ พอจะตายพบถ้ากุศลให้ผลทนันงั้นก็พอจะเปลี่ยนอะไรได้เร็วแต่ถ้าอายุยาวๆก็ต้องรอนานต้องทุกข์ทรมานไปนานหน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยประเด็นก็อยู่ตรงนั้นเวทนาเกิดเสมอดำรงอยู่ตลอดกลับเป็นสัสังการิกก็เป็นเวทนาหยาบเนาะถ้าโลภะนี่นะเวทนาอื่นที่ไม่ได้เกิดเสมอไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลก็เป็นสัสังการิกก็เป็นเวทนาที่ละเอียดโดยสาทั่วไปอกุศลเวทนาที่มีวิววบากมากเป็นเวทนาหยาบถ้ามีบากน้อยก็เป็นเวทนาที่ละเอียด นี่ก็ต่างกันตรงเนี้ยที่เมื่อกี้ประเด็นที่ถามถามบอกว่าอากุศลเวทนาที่มีวิบากมากถ้าไปเกิดเป็นช้างก็เกิดเป็นยุงเนี้ยนั่นอะไรไหมช้างก็มีวิบากมากกว่ายุงนั้นจะเป็นเวทนาหยาบใช่ไหมเป็นเวทนาหยาบกว่ากว่าเวทนาที่ไหนอากุศลที่เป็นปัจจัยให้ได้เวทนาเน็กไปเกิดเป็นยุงเลยนะมันก็มันก็มันก็ละเอียดกว่าเพราะวิบากมันน้อย อ๋อสร้างบารมีไม่ได้ก็มหมายความว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจากโพธิสัตว์นั้นอยากจะไม่ไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทที่ว่าเล็กกว่านกกระจอกนกกระจาบเนี่ยนะอันนั้นแปลว่าถ้าเล็กกว่านั้นแล้วจะมาสร้างบารมียังไงนะจะสร้างบารมียังไงอัตยาสายของท่านที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าถึงแม้ท่านเกิดยังไงแล้วเนี่ยถ้าหากพระโพธิสัตว์หรือบุคคลที่มีบุญมากมาเป็นอบายสัตว์เนี่ยท่านจะมีโคจรัสัญญากามสัญญามรณะสัญญาแล้วเพิ่มธรรมสัญญาขึ้นมา นะท่านจะมีธรรมสัญญาซึ่งผิดกับเราท่านทั้งหลายที่ไม่ได้สั่งสมอัธยาสายในบุญกุศลเยอะๆเนี่ยถ้าไปเป็นอบายศาตัตร์ธรรมสัญญาหายเกลี้ยงเป็นๆอัตภาพอัตภาพเลยนั่นคือยุ่งเนี่ยโอกาสที่จะกลับเป็นมนุษย์มันถึงยากนี่ตาตาบอดเราดีๆเนี่ยนะแต่ถ้าโปรพิษัศตเนี่ยท่านไปเกิดแค่ชาติเดียวอย่างเงี้ยบางทีสองชาติสมชาติท่านก็สามารถน้อมกลับได้เพราะอํานาจของกุศลสัญญาท่านหรือธรรมะสัญญ า, ท, าท่านแรงมาก อัธยาศัยในพุทธบาพุทธภูมิท่านสูงฉะนั้นสัตว์เหล่านี้ท่านก็ไม่ถึงไม่เป็นห่วงแล้วเนี่ยต่อโพธิสัตว์เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงวท่านไม่ถูกฆ่าตายด้วยนะสังเกต ด, ดูทีแต่ละภพแต่ละภพต่างๆเหล่าเนี้เนะยก็เอาตัวรอดได้สังเกต ด, ดูตัวรอดได้เว้นแต่มีพิษบาดแผลมาอะไรมาต่างต่างแต่ในที่สุดจริงๆก็คือท่านต้องเปลี่ยนเปลี่ยนได้มากก็จะกลายเป็นมนุษย์เป็นเทวดาต่างต่างเหล่านี้แต่โอกาสยังว่าสังสารวัตเล่นกับเขาก็เป็นภยัยเป็นภยัย เล่นยาวก็เป็นภัยมากใช่ไหมยิ่งอยู่ยาวก็ยิ่งมีภัยมากอืนี่เป็นอย่างนั้นข้าทั้งที่พระโพธิสัตว์นีน่ถือว่าเป็นนิยตาด้วยนะถือว่าแน่นอนยังมีภัยปันนั้นนะอันนิยะตาด้วยแล้วไม่ต้องพูดถึงนะเราด้วยแล้วเนี่ยไม่มีอธัธยาสัยโพธิในใจด้วยแล้วก็โอ้โหต้องมานั่งคิดกันหนักเลยแต่เนี่ยนะนั่งคิดกันหนักเลยว่าจะทํำยังไงเนี่ยนเะย็นหน้ากันก็ถามว่าไงท่านทั้งโทษบาะหารทั้งหลาย เตรียมตัวเข้าหลักบังหารกันยังไงก็นั่งคุยกันอย่างเงี้ยนี่ยนะคือคือแต่มานึกอยากอีกอย่างนะถามบอกว่าสมมุตินะถ้าเกิดทันและเรามีข้อมูลเบียงแค่นี้เราจะตัดสิรู้ไหมเนี่ยถ้าสมมุติเราก็เรียนพระธรรมแบบประมาทแบบนี้เกิดทันจริงๆแล้วจะแล้วจะแล้วจะตัดสรุ้ได้ไมนั่นะตรงนี้ก็คือว่าตอนเนี้เขตพุทธยานของพระองค์ยังไม่หมดตอนเนี้นะ ต อ, ตอนนี้ยังไม่หมดเนี่ยนับว่าบุญบุญนั้นประเสริฐแล้วใช่ไหมคือถ้าลมหายใจขาดมดลกาสนะ่ะแต่ตอนนี้ยังมีโอกาสแค่นั้นเลยคิดเก่งตรงนี้ตอนนี้ยังมีโอกาสอยู่แต่ถ้าลมหายใจขาดก็มดอกัดใช่ไหมไม่รู้จะแก้ไข ย, ยังไงแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ไหมไม่รู้จะช่วยยังงสรุปแล้วออกุศลเวทนาที่มีวิบากมากก็หยาบหยาบถ้ามีวิบากน้อยก็เป็นละเอียดไป นี่เข้าใจนะวิบากมากวิบากน้อยคือวิบากตั้งอยู่ได้ยาวตั้งอยู่ได้ยาวว่าตรงนั้นกุศลเวทนาที่มีวิบากน้อยเป็นเวทนาหยาบต่างกันนะกุศลเวทนาเนี่ยนะที่ให้วิบากน้อยหยาบใช่ไหมตรงกันข้ามเลยถ้าให้วิบากมากก็เป็นเวทนาละเอียดกรณีที่มาเกิดเป็นมนุษย์อายุสั้นเนี่ยใช่ไหมกับอายุยาวๆเนี่ยนะ ใช่ไหมกุศลก็ให้มีโอกาสให้ผลเยอะเวทนาละเอียดเขาก็จะอยู่ได้ยาวงั้กุศลเวทนามีวิบาก น, น้อยทั้งหลายเนี่ยหรือกรณีที่ว่าเวลาจะให้ได้เห็นใช่ไหมกุศลที่จะให้เห็นในสิ่งที่ดีๆก็แป๊บเดียวจะให้ฟังว่าทำที่ถูกต้องก็แป๊บเดียวก็หมดไปซะแล้วเนี่ยก็พาหนีหมดเลยไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยนะ นะเข้าก็วิ่งหาเงี้ยสิ่งที่ถูกมันไม่ได้ได้แต่สิ่งที่ผิดอยู่เลยอย่างเงี้ยลักษณะเงี้ยนะกุศลเวทนาประเภทที่มีวิบากเล น, น้อยอย่างเงี้เป็นเวทนาหยาบ<ป>ถ้าหากว่โอโ้โหได้เจอแต่พระธรรมสิ่งคําสอนที่ถูกต้องมีคนแนะนําก็ถูกต้องมีคนนําก็ถูกต้องเป็นไปตามลําดับอย่างเงี้ยยาวตลอดอายุไขเลยนี่ น, นี่เวทนาที่ละเอียดใช่ไหมให้กุศลเวทนาที่ให้ผลไปเลยนี เนี่ยมาเป็นคนแต่คนประเภทเนี่ยกุศลเวทนาที่มีวิบากน้อยใช่ไหมเนีย่ยมีวิบากน้อยเพราะว่ามาเจริญมาเจริญมาเจริญก็ช่วงแะงระยะงานเจริญกุศลมันมีเหลือน้อยไงใช่ไหมมันเหลือน้อยกามาวาจรกุศลเวทนานี่เป็นเวทนาหยาบรูปาวาจรกุศลเป็นเวทนาที่ละเอียดอรูปาว วจรเวทนาก็เป็นเวทนาละเอียดกับรูปราวจรกุศลโลกุตละเวทนาก็ละเอียดยิ่งกว่าอารูปราวจรกุศลเวทนาก็ไล่ไปตามระดับกามาวจร ร, วจ ร, รูปราวจรอรูปาวจรแล้วก็โลกุตละไล่ความละเอียบความละเอียดประการต่อมาคือเวทนาที่เป็นกามาวจรกุศลนี่แหละที่สําเร็จด้วยทานกุศลหยาบเยอะไหมถ้าสําเร็จด้วยศีลกุศล ก, ก็ละเอียด ที น, นี้เราก็ให้สังเกต ด, ดูว่าอาจิตติปารลทานเนี่ยกับปารลศีนเนี่ยเห็นไหมก็มีเวทนาเกิดตลอดนะในทานเนี่ยก็ถือว่าทําง่ายสะดวกกว่าศีลก็เลยหยาบกว่าศีลทีนี้ถ้าในชั้นของภาวนาสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเขาค่ละเอียดกว่าทานนกุศลและศีลกุศลก็ไล่ไปลักษณะอย่างนี้ต่อมาภาวนามาแยก เมื่อวานนี้แยกภาวนาภาวนาที่เป็นทวีเหตุุกะเป็นเวทนาหยาบที่เป็นตีเหตุกะ ก, ก็เป็นเวทนาละเอียดแยกแลยแยกเลยเราแยกละเอียดเงี้ยนะมาวิจัยไปเวทนานักหน่อยเงี้ยนะนี่เป็นตีเหตุุกะทีนี้ในตีเหตุุกะมาแยกอีกเวทนาที่เป็นสสังขาริกก็หยาบเวทนาที่เป็นอสังขาริกก็เป็นเวทนาที่ ละเอียดเพราะจะมองเห็นไหมอย่างเงี้ยจะแยกแยะรายละเอียดความละเอียดความอยากเป็นไปในลนักษณะอย่างนี้